โรณา ง, งดชัเสียงครับขอโอกาสอาราธนานิมนต์หลวงพ่อไปโปรดแสดงธรรมแก่พวกเราด้วยครับ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 ของพวกเราทั้งหมดนะมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าขันห้าคือรูปธรรมคือนามาทำทั้งหมดเลยนี่คนทั้งหลายนะั่นไปติดอยู่แค่สมมุติก็เลยคิดว่าเป็นจริงเป็นจังขึ้นม า, าเบื้องต้นเลยสมมุติขันห้ากลุ่มหนึ่งอย่างหลวงพ่อถ้าหลวงสมมุตินะนี่ขันห้ากลุ่มนี้เรียกว่าหลวงพ่อประโมทเนี่ยขันห้ากลุ่มนี้เรียกคุณต่อยอะไรนี่ถ้าสติปัญญาเราแกะกล้าพอเราแยกออกไปนะ เราก็พราบว่าท er ั้งหลวงพ่อประโมททั้งคุณต่อยนะมันเป็นภาพหลวงตาตัวจริงมี2ส่วนนะส่วนที่เป็นรูปธรรมกับส่วนที่เป็นนามธรรมส่วนที่เป็นรูปธรรมก็ประกอบด้วยธาตุต่างๆ่าส่วนที่เป็นนามธรรมก็ประกอบด้วยความรู้สึกนะความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉยนส่วนหนึ่งความจําได้ความหมายรู้ส่วนหนึ่งความปรุงดีความปรุงชั่วนะส่วนหนึ่งอย่างกิเลสนี่ก็เป็นความปรุง จิตที่เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะบรรดาสิ่งที่เรียกว่ารูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายนะี่แยกแย่ออกไปเป็นขันห่าอนะไรเงี้ยรูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณนะถ้าเราสามารถแยกออกไปได้แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆไดนะ้แยกออกเป็นรูปธรรมนามธรรมนี่แยกน้อยที่สุดละนะละเอียดขึ้นไปรูปธรรมก็แยกออกเป็นธาตุนะ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 ความสําคัญผิดว่ามีตัวมีตนแล้วหลงสมมุตินั่นเองกลุ่มของขันมารวมตัวกันเป็นอย่างนี้ถ้าหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้เราก็บอกนี่ผู้ชายนี่ผู้หญิงถ้าสมมุติต่อไปก็นี่เป็นพระนี่เป็นโยมอะไรอย่างนี้สมมุติต่อไปนี่พระองค์นี้ชื่อนี้ชื่อ น, นี้ชื่อนี้โยมคนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นี่เรื่องของสมมุติทั้งหมดเลยถ้าเราหัดภาวนาเราจะเพิกถอนสิ่งที่เป็นสมมุติเราจะดูเข้าไปในตัวจริงๆ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 ไปดูครูบาอาจารย์นะผู้แก่ผู้เฒ่าหลวงพ่อเมื่อก่อนศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์จำนวนมากเลยอายุมากมากเลยแต่และองค์แก่ๆทั้งนั้นเลยนะอายุตั้งแปดสิบเก้าสิบขึ้นไปนะดูแต่และองค์มีความสุขอย่างเลยบางองค์ก็ไม่สบายมากนะอย่างหลวงปู่สุวัตเป็นอำมพาตยนะ์ะแต่เดิมก็แข็งแรงดีแล้วลดคว่ำนะตกลงไปในท้องนาก็เป็นอำมพาตนั่งอยู่บนรถเข็นทนะ่านมีความสุขได้ยังไง ถ้าเราต้องอยู่ๆวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุเราต้องนั่งรถเข็นเราจะรู้สึกยังไงรู้สึกทนไม่ไหวใช่ไหมเราจะทุกข์เข้าไปกราบท่านแลท่านบอกโอ้สุขแท้นาะสุขแท้นาะเราดูท่านสุขได้ยังไงท่านเจ็บขนาดนั้นนะท่านพิการเดินไม่ได้แล้วท่านมีความสุขอยู่ได้เพราะใจของท่านมันเป็นอิสระจากร่างกายของท่านนี่พวกเราค่อยๆฝึกนะวันใดใจเราเป็นอิสระจากร่างกายเราไม่ยึดถือในร่างกายเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกละ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 เรจะอยากมาฟังเทศก็เริ่มกังวลอีกแนละ้วจะได้นั่งหน้าๆไหมนะอยากมานั่งหน้าๆนะแต่ว่าอยากมาชา้าๆนะความอยากมันขัดแยงนะ้งแล้วอยากมานั่งหน้าๆนะอยากมาส่งกันบ้านแต่ว่าขี้เกียจออกจากบ้านอยากออกชา้าๆนะใจเรานะ่าเต็มไปด้วยความอยากพรมีความอยากเกิดขึ้นแนละใจเราถูกบีบคั้นตลอดเวลาเลยงั้นเราค่อยๆศึกษานะเราจะเห็นเลยใจนี้เต็มไปด้วยความอยากใจนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาใจไม่ใช่ของที่เที่ยง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 เราผู้มีชาติรู้ว่าเล่นด้วยกันนะเวลาเราเปียรแชร์ได้มีความสุขรู้สึกไหมแต่มีความสุขแว บ, บเดียวนั้นอนะถัดจากนั้นจะต้องส่งแล้วนะไม่มีความสุขแล้วความสุขในโลกเหมือนเปียรแชร์นะมีความสุขแว บ, บๆอนะเดี๋ยวๆนะโอ้ความทุกข์ตามมาเป็นแถวเลยถามนายหนุ่มๆทั้งหลายนะทั้งหนุ่มมากหนุ่ ม, น, ม, น, ม, น, มน้อยคนไหนแต่งงานแล้วช่วยยกมือให้ดูหน่อย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 อยากได้ของซึ่งไม่มีจริงนะมันไม่มีวันสมอยากนะเราอยากได้มีความสุขถาวรความสุขถาวรไม่มีความสุขมันมีอยู่ชั่วคราวนะเพราะความสุขเองก็ไม่เที่ยงเห็น ไ, ไหมเราอยากได้สิ่งซึ่งมันไม่มีมันก็ไม่มีทางได้นะเพราะฉั้นเราวนเวียนอยู่ในโลกนะใจเราจะเต็มไปด้วยความอยากอยากจะทําอะไรลงท้ายมันก็คืออยากมีความสุขนันะ่นแหละแต่เกียดตะกายหาความสุขแทบไแย่เลยเหมือนวิ่งไล่จับเงานะมือเหมือนจะจับได้แต่ไม่เคยจับได้หรอก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 ลองนึกดูสิจริงไหมอย่างเราอยากได้มือถือใช่ไหมไปซื้อมาเนี่ยความสุขเราเอีงอาศัยมือถืออันใหม่นี้บางคนไปซื้อรถยนต์มาใช่ไความสุขเราเอีงอาศัยรถนี้พอรถถูกขีดถูกควรไปหน่อยความสุขหายไปละงั้นความสุขเราต้องอยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุขอยู่ไม่นานนะเขาก็เปลี่ยนไป เ, นเราก็เปลี่ยนไปเหมือนกันใช่ความสุขที่หวังไว้มันก็เลื่อนลอยออกไปอีกล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 ใครเคยได้ยินชื่อคําว่าพระโสดาบันบ้างมีไหมมีไหมมีไหมีม ม, มีไหมนีม่ ไ, <N> ได้ยินทั้งนั้นแหละะรู้ไหมเป็นยังไงพระโสดาบันมีอะไรพระโสดาบันมีศีลศีลบริบูรณ์นะอืม <N> พวกเรามีศีลบริบูรณ์ไหมศีลข้อไหนรักษา ย, ยากที่สุดโอข้อสีแม่ตับฉาฉา น, นถูกต้องเลย <N> สินค้าสีรักษายากที่สุดเลยดังพลอยง่ายนะสินค้าสี่สมุสาเนี่ยมันไม่ใช่แค่โกหกมุสานะมันคลุมไปถึงสอดเสียดเนี่ยสอดเสียดคือยุให้เขาทะเลาะกันอยุทางนี้ทียุทางนี้ทีสอดเสียดะพูดคําหยาบพูดคําหยาบก็สินดั ง, ดงพลอยพูดเพิรเจอพูดเพิรเจอร์ก็สีนดังพลอยพูดเพิรเจอร์เป็นยังไง <c oughs> พูดในสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องพูดะมีไหมวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งมีไหม เยอะมากเลยบางคนบอกมากกว่าพูดความจริงอีกงั้นศีลข้อสีรักษายากนะพระโสดาบันมีศีลท่านมีศีลเพราะว่าท่านจิตใจของท่านภาวนา ม, มาดีนะสติมันรวด เ, เร็วเร็วกว่าพวกเราเพรากิเลสมันเกิดเนี่ยท่านรู้ทันล ะ, ะกิเลสหยาบๆเกิดขึ้นนะรู้ทันคนเราทําผิดศีลได้เพราะว่าถูกกิเลสครอบงํำเพราะฉะนั้นเราค่อยๆฝึกนะจะวันหนึ่งจะได้เป็นพระโสดาบันหัดรักษาศีลไว้ก่อน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 ความอยากเกิดข like Hola.. ึ้นก่อนเรารู้ว่าอยากความโกรธเกิดขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโกรธใจลอยไปก่อนแล้วรู้ว่าใจลอยฟุ้งซ่านไปก่อนเรารู้ว่าฟุ้งซ่านหดหู่ไปก่อนแล้วรู้ว่าหดหู่เนี่ยให้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นก่อนอย่าไปดักดูถ้าเราดักดูแล้วก็มันจะไม่มีอะไรให้ดูทุกอย่างจะนิ่งไปหมดอย่างของคุณผู้ชายนั้นนะพอนาชอบดักดูไปหลอดูจ้องไว้เงี้ยจ้องจ้องเมื่อเมื่ไรจะมีอะไรผลุ่ไม่มีอะไรผลุ่มมันจะนิ่งไปหมดเลย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 ช่วก็แยกแย่อไปนะเป็นกโกรธเป็นโลภเป็นหลงนะเป็นฟุ้งซ่านเป็นหดหูเป็นลังเลสงสัยนี่นานาชนิดอะไรเกิดขึ้นเรารู้ลูกเดียวถ้าเรารู้ลูกเดียวนะเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปจริงๆความโกรธก็อยู่ชั่วงกลาวนะพอความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความโกรธก็หายไปความโลภเกิดขึ้นเร า, า ม, มีสติรู้ทันความโลภก็าหายไปความทุกข์เกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความทุกข์จะหายไป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 ห ร, หรืองูกระดิกหูช้างแรบลิ้นคนะงไม่ใช่เนา ะ, ะมันชั่วแว บ, บเดียวนะนั่นคือถ้าใจเรามีสมาธินะรู้ตัวขึ้นมาทีเะแว บ, บเดียวได้บุญเยอะนะได้บุญเยอะกว่ายิ่งจะมาทําบุญใส่บาทอะไร น, นั้นก็ดีแล้วล่ะแต่ถ้าใจมีสมาธินะเป็นบุญที่สูงกว่านั้นอีกนะเพราะฉะั้นเราอยากได้บุญเยอะๆนะหรือถ้าอยากยิ่งกว่านั้นคือจะภาวนาใจเราไหลไปเราค่อยรู้ใจเราไหลไปคอยรู้รู้ทันจิตตัวเองนี่แหละจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา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 สิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นตัวเราก็คือรูปธรรมนามธรรม ท, ที่เคยบอกแล้วนะั่นนะสิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นตัวเราเรจะแยกออกไปละเอียดใดก็เป็นขัน5นะ้าบางทีก็แยกออกเป็นอายตนะหบางทีก็แยกเป็นาธาตุสิบแางทีแยกเป็นอินทรีย์22นะแล้วแต่จะแยกนะรวมความแล้วอย่างน้อยต้องแยกเป็นสองอันนะรูปธรรมกับนามธรรมา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 พุทโธพุทโธนะสมมติเราหัดพุทโธอยู่พุทโธพุทโธจิตไหลพิชิตเรารู้ละเราจะเห็นเลยว่าจิตนี้บังคับไม่ได้นี่การที่เราจะเห็นความจริงการที่เจริญปัญญานะต้องเห็นรูปเห็นนามเห็นขัน5้ามันแสดงไตรลักถ้ามันแสดงไตรลักษได้นั่นแหละถึงจะเรียกว่าเจริญปัญญาถ้าลำพังเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจแต่เห็นอย่างทื่อๆเห็นอย่างซืบซึ้ไม่เห็นไตรลักไม่เรียกว่าวิปัสนาจำไหมนะวิปัสนาต้องเห็นความเป็นไใรลัก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 ค่อยค่อยฝึกนะค่อยฝึกแยกไปพอเราแยกรูปแยกนามออกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะเห็นเลยร่างกายที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่เราหรอกนะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเอามาตั้งไว้ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็เปลี่ยนอิทธิบาไปแล้วเป็นวัตถุที่ไม่คงที่มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจออกแล้วก็หายใจเข้ากินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะนี่มีธาตุหมุนไปเรื่อยเล ย, ยเป็นวัตถุเท่านั้นเองเรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวมันเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นแค่วัตถุ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 สั่งเข้าสั่งไม่ได้เห็นไหมอย่าว่าแต่จะบรรลุพระอ ร, ระหันต์เลยแค่สั่งให้สงบยังไม่ได้เลยสั่งให้ดีถาวรไม่ได้นะเอาทุกคนสั่งให้มีความสุขได้ไหมตอนนี้ไม่ต้องสั่งหรอกส่วนใหญ่ในห้องนี้กำลังมีความสุขอยู่รู้สึกไหมกำลังมีความสุขรู้สึกไหมกาลังเผลอเพลินเห็นหมมีความสุขไม่ใช่กิเลสนะแต่เพลินในความสุคน่กิเลสนะเขาเรียกนันท่ราคานะ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 ไม่มีความคลอนแคลนอีกแล้วพวกเราพร้อมที่จะคลอนแคลนกับพระรัตนตรัยเสมอใช่ไหมอย่างสมัยเมื่อสองสาปีก่อนใช่ไหมเราหันไปนับถือเทวดานึกออกไหมนับถือเทวดานับถือจตุคามรามเทพอะไรตอนนี้จตุคามก็เงียบๆไปแล้วหันไปนับถือพระราหูอีกแล้วเห็นไหมนับถือพระคเนศนับถือโน่นนับถือนี้หมดนะเจอหมาเจอแมวแปลกๆเราก็นับถือได้นะ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 แต่ก่อนอยรู้สึกตัวนะฝากไว้ก่อนนะชาวพูดอย่าลืมศีลห้านะคนที่ไม่มีศีลจิตจะไม่สงบหะะรอกศีลจะช่วยให้จิตสงบง่ายอย่างเราคิดจะไปมีชู้เนี่ยจิตไม่สงบหรอกเราคิดจะขโมยเขาจิตไม่สงบหรอกเราคิดจะฆ่าเขาคิดจะตีเขาคิดจะทำร้ายเขาจิตไม่สงบหรอกเราพูดเพ้อเจ้อจิตไม่สงบหรอกพูดส่อเสียดเนี่ยจิตยิ่งมีโทสะแรงขึ้นอีกจิตไม่สงบหรอกงั้นศีเลเนี่ยนะรักษาไว้ก่อน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 ฝั่งเราลึกลับที่สุดเลยนะอยู่สภากรมขงและ ง, งานเครียดมากเลยนะวันๆนะต้องนั่งวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์อะไรต่ออะไรเยอะเลยข้อมูลบางอย่างวิเคราะห์แล้วก็พูดไม่ออกนะเช่นรัฐวิสาหกิจทั้งหลายเนี่ยมกักจะถูกลุมทึ้งรนะู้ก็พูดไม่ออก嘛ลาบากาจะเจ๊งมิเจ๊งแหลกเพราะ้เรื่องพวกนี้เหมือยกันหมดเลยทูกแห่งนะ เนื่อ ง, งานลำบากนะงานวุ่นวายแต่ละวันแต่หลวงพ่อใช้วิธีดูใจตัวเองไปเรื่อยนะเครียดขึ้นมารู้ว่าเครียดสุขขึ้นมารู้ว่าสุขนะดีขึ้นมารู้ว่าดี โ, โลภโกรธลงขึ้นมาตามรู้มันเรื่อยๆตัวนะอยู่ไม่นานนะไม่กี่เดือนหรอกรู้ไปเรื่อยนะแล้วเข้าใจความจริงเลยใจเราก็เปลี่ยนไปนะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นฝึกไปนะแล้วสุดท้ายจะมีความสุขนะเห็นกายเห็นใจไปเรื่อยมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลย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 สิ่งที่เป็นศัตรูกับการรู้มีสองอันนะอันที่หนึ่งลืมตัวเองไปอย่างขนาดนี้ยลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมออันที่สองคือไปเพ่งน้อยถ้าไม่เผลอไปไม่เพ่งไว้ก็รู้สึกตัวขึ้นมานแต่ไปฝึกต่อนะพอใช้ได้แล้วดูออกไหยจิตโมมัวฆอจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะนะอ้าวเปอร์สองเดี๋ยวยังงงอยู่งงอะ่ะรู้ไหมเออ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 เวลาความรักเกิดขึ้นเราจะไปคิดถึงคนที่เรารักหรือคิดถึงของที่เราอยากได้นะอยากได้มือถืออันใหม่แล้วเนี่ยใจวิ่งไปอยู่ที่ห้างอยากได้นะเนี่ยเราลืมตัวเราเองขณะนั้นความฟุ้งซ่านเกิดใช่ไหมก็ลืมตัวเราเองคิดเรื่องน้ อ, คอน ค, หหคิดเรื่องนี้ไปความหดหูเกิดก็เซ็งซึมผู้หญิงเป็นเยอะว่าผู้ชายเท่าที่เห็นนะชอบสวมวิญ ญ, ญาณ น, นางเอกทาใจเศร้าๆแม้แสบๆอยู่ข้างในนะชอบนะฮะฝึกตกนรกนะ แล้วเรามันจะทําให้เราแหมเคลมอิเมื่อไห่พระเอกจะมาปลอบกนะไม่มีหรอกพระเอกนะนนฝันเราเองะเนี่ยรู้ทันลงไปนะกิเลส ท, ทุกตัวเลยมันจะลากให้เราลืมตัวเราเองนะงั้นเรามันศัตรูของการปฏิบัติเลยงั้นเราคอยรู้ทันอย่าเชื่อมันความสงสัยเกิดขึ้นทํำยังไงดีสงสเออรู้ว่าสงสัยแต่อย่าคิดไม่เลิกเลยคิดอย่นี้นะนะนะรู้สึกเรื่อยๆนะอ่ะคนต่มมา กลับนมัส ก, การหลวงพ่อวันนี้รู้เลยว่ า, าอยู่เรือบินแน่สีม่วงไ่เ้เริ่มฝึกปฏิบัติค่ะอยากกลับเวีนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติมาทั้งหมดที่ฝึกมาเนี่ยถูกต้องมังม้งไหมคะถูกนะดีกว่าไม่ปฏิบัติ <c oughs> อา้าวอย่างสมมติเราไม่เคยมีศีลเรามีศีลก็ดีใช่ไหมเราเคยฟุ้งตลาดเลยเราสงบขึ้นมาก็ดีอะ่ะเราไม่เคยรู้สึกตัวเลยหลงทั้งวันไม่เคยเห็นกายเห็นใจเราเห็นกายเห็นใจขึ้นมาก็ดีอ่ะ นะของโยมผู้ดีแล้วเนี่ยก็คอยรู้สึกเรื่อยๆรู้สึกบ่อยๆต้อรู้สึกด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะจิตใจอยู่กัน้กับตัวจิตขณะนี้ตั้งมั่นไห ม, ไมจิตว่าตั้งมั่นไหมขณะเนี้ผู้ใส่ไหม่สิหลวงพ่อไม่ได้ยินไม่เคยตั้งมันม่นเท่าไหร่นะมันกระจายรู้สึกไหมจิตเราจะกระจายกว้างๆออกไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีความสุขรู้สึกไหมเราไปหลงอยู่ในความว่างๆอันนี้ละ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 อย่า น, นั่งสมาธิซึมๆนะต้องระวังมากๆเลยอย่านั่งสมาธิแบบซึมๆนะเคลื่อนไหวไหมไปทา ง, งานทําไหมแล้วก็เห็นร่างกายมันทํางานเรื่อยๆจิตมันจะตื่นมากกว่านี้นะอ้ะาวกราบนมสัส ก, การหลวงพ่อค่ะจะถามหลวงพ่อขอคําแนะนําค่ะว่าจริตเนี้ยเหมาะสมกับการอะไรที่เหมาะสมกับการเจริญสมถะแล้วก็วิปัสสนาค่ะด้วยเอาเองสินะหลวงพ่อสอนหลักให้แล้วง่ายอยู่ตาย สมถะเราดูไปจริตในการทําสมถะมีหกอันนะมีราคะจริตโทสะจริตโมหจริตวิตกจริตพุทธิจริตสัทธาจริตมี6กอันนะเอาง่ายๆก็ได้ราคะโทสะบหูหะตัวไหนของเราเด่นละ่ะคือหนูนนิสัยไม่ดีเยอะคะค่ะก็จะเด่นหมดเลยอะคะ่ะเด่นหมดเลยเหรอกูเด่นหมดเลยนะหายใจไว้อนี้ทําไปเรื่อยนะพใจก็สงบขึ้นมานะตัวลมหายใจเป็นกรรมฐานกลางๆนะ หายใจไปใจก็สงบขึ้นมาถ้าหายใจแล้วไม่สงบนะส่วนมนอะไรสักบทหนึ่งสั้นๆก็ได้นะนโมทำโ ม, ม, โมสังครอะไรก็ได้นะพอใจมันลืมไปเราก็คอยรู้ทันเอาอ<ล><ห>ันี่สมถะนะ<ๆ>แล้วอารมณ์จริตของวิปัสสนามีสองอันจริตที่จะใช้ทําสมถามี6อันอจริตที่จะดูว่าจะใช้อารมณ์อะไรในการทําวิปัสสนามีสองจริตนะชื่อตัณหาจริตกับทิฏฐิจริต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 มันก็จะนึกว่าเอ๊ะตอนนี้เราทําอะไรหรืออย่างี้มันจงใจไปคุณผู้ชายนัเมื่อกี้เผลอไปนะรู้สึกไหมพอเราจงใจจะปฏิบัตินะใจมันไหลนะให้รู้ทันตรงที่ใจไหลไปเนี้ยนะใจไม่ตั้งมั่นละนะนะเดี๋ยวเราทําใหม่ซิทาทำอย่างตะ ก, กี้ใหม่คราวนี้มันไม่ไหลอ ย, อย่างตะ ก, กี้แต่มันใส่ไปใส่มาใช่ไหมจิตมันใส่ไปใส่มาเราก็รู้ทันนะ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 ก็ดีแล้วดีนะค่อยฝึกไปนะฝึกไปเรื่อยๆแล้วหนูต้องหาที่อยู่ให้จิตไหมะคะต้องหาต้องหาดูกายเลื่อนกาเคลื่อนไหวรู้สึกกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะรู้สึกเรื่อยๆอ้าคนนี้อันนี้อยู่การบินไทยหรอกเหร หลวงพ่อคะเวลาที่เราเราเห็นว่าเราคิดนี่มันต่างกับที่จิตมันคิดไหมคะเราคิดนี่มันเจอด้วยความจงใจอยากคิดนะจิตนี่มันคิดของมันเองอย่างเวลาเราจิตมันคิดนั่งอยู่เฉยๆฉยมันคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้มคิดของมันเองนะเรามีหน้าที่แค่รู้ทันว่าจิตหลงไปคิดแต่เวลาที่เรามีธุระจะต้องคิดจะต้องคิดเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอันนี้ต้องตั้งใจคิดคนละอย่างกันนะ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 เคยเป็นไหมอยู่ๆก็หน้าคนหนึงโผล่ขึ้นมาในความรู้สึกของเรานะี่ยมีหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมาเราก็คิดแต่เดี๋อีกคนนี้มันร้ายอย่างว่านี้นะ่ะจิตมันหลงไปคิดเองไม่เป็นไรแต่พอเรารู้ทันว่าเฮ้ยไปคิดถึงเขาแล้วโกรธขึ้นมาความโกรธไม่ดีนะนี่เราเริ่มคิดแล้วความโกรธไม่ดีนะอย่าไปโกรธเขาเลยนะความโกรธทําให้จิตเสียหายนี่คิดเอาเองล่ะนีอย่าคิดเอาเองนะนะอ ย, เอเองยเว้นเวลาทํางานต้องคิดให้รู้เรื่องนะต้องไง มีอะไรนะนำไหมคาหลวงพ่อท <c oughs> ําไมกลัวหลวงพ่อกันนักหนาวะ <c oughs> แต่ละคนปล่อยต้นคอยแล้วตื่นเต้นทําไมเจอกันมาตั้งหลายปีแล้วไล่ให้กายให้ใจทํางานแล้วมีสติตามรู้ไปนะที่ฝึกอยู่จะใช้ได้นะแต่ขณะเนี้ยใจมันออกนอกรู้สึกไหมใจมันกระจายออกไปข้างนอกมันวิ่งมาหาหลวงพ่อ <c oughs> แล้วมันก็วิ่งไปสงสัย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 จะพูดโธหรืออะไรก็ได้นะหรือว่าหายใจไปแล้วรู้สึกตัวไปหายใจแล้วรู้สึกตัวไปจิตหนีไปแล้วรู้ทันนะไม่งั้นมจะลอยลอยเป็นานๆอย่าให้ไหลไป น, นานหลงนานไปค่ะคนนี้น้ำมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อตอนนี้จิตใจรู้สึกตื่นเต้นนะเจ้าค่ะออืใครๆเจอหลวงพ่อก็ตื่นเตนเ้นนะ เหมือนกับต้องออทําเขา้าส่งข้อสอบนะคะหรออย่าไปคิดอย่างนั้นสิเหมือนกับสอบนะคะหรออย่าคิดว่าสอบคิดว่าคุยกันเล่นเล่น เ, เคยอยู่ปฏิบัติที่วัดหลวงพ่อมาเมื่อปีเสร็ศษมาแล้ว น, น, นะเจ้าค่ะแล้วก็ส่งกันบ้านตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่า เ, เพ่งแล้วก็ประคองเอาไวะะ้เจ้าค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้กรดวดออกไหม ว่ามันเบ า, บาลงเบาลงเยอ ะ, อะจ้าค่ะดีแล้วอย่าเพ่งไว้แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าเอทําครัวทำกับข้าวอะค่ะแล้วโดนมีดบาดลงไปลึกมากเลยอืมมันไม่รู้สึกเจ็บอะค่ะรู้สึกว่านิ้วเราเนี่ยมันไม่ใช่อยู่กับตัวเราออะืแล้วมันหลุดไปแล้วเหรอ <laughs>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 อยให้ความสุขอยู่นานๆเราก็คิดว่าวันนั้นภาวนาดีจิตขณะนี้รู้ตัวเต็มที่ไหมไม่ครับจางไมมีโมหะเออมีโมหะตับถูกดีครับต่อนพยายามเดินไหมกระดูกกระดิกไหมเคลื่อนไหวบ่อยๆครับลูกเราซนไหมครับพอสมควรครับเรานะเลี้ยงลูกไปดูใจไปเดี๋ยวก็โมโหแล้วก็ดูไปครับดูบ่อยๆครับรอบนี้มีอะไรบกพร่องแล้วจะเพิ่มเติมอะไรไมอาจารย์อย่าประคองไว้นะจิตมีโมหะ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 ครับขับคุณครับขอบรู้ชะกันอ่าอาจารย์ประโมดที่ครบอย่างสูงค่ะเมื่อกี้อาจารย์ตอบเรียบร้อยเลยกาลังคำถามที่จะถามต่อไปเนี่ยคือจะถามว่าการปฏิบัติอย่างไรให้พ้นทุกข์ได้เร็วที่สุดอก็คืออันที่อาจารย์ตอบไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมเจ้าค่ะหรือว่าอาจารย์จักรุณาแนะนำอย่างไรเจ้าค่ะให้เรารู้สึกตัวขึ้นมานะดูลงในกายดูลงในใจ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 ไม่ต้องพยายามให้รู้บ่อยๆนะคนขี้มโมโหนะคนมีบุญนะเพราะโทสะเนี่ยเป็นกิเลส ท, ที่ดูง่ายที่สุดนะกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูอยากจะขอวิธีปฏิบัติจากพระอาจารย์เวลาที่เวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรห ล, ห, ลหลายอย่างเข้ามาพร้อมกัน อ, อย่างหนูเนี่ยเป็นพนัก ง, งานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะแล้ววันวั น, วนหนึ่งจะเจอคนเป็นร้อยแล้วทีนี้แต่ละคนเนี่ย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 พอมากมากแล้วไม่ไหวเนี่ยต้องเปลี่ยนไปเป็นสมถะนะสมถะที่เหมาะเลยนะคือเจริญเมตตาไว้โอยคนนี้ก็น่าสงสารนะดูสิโง่โง่นะเออไ อ, อคนนี้ก็น่าสงสารนะดูสิโลภมากนะจะเอาน่นจะเอานี่ตีตัวนะก็ถูกถูกแหมยอยากจะเลื่อนชั้นอะไรเงี้ยนะเออดูมันลงไปเลยนะเจริญเมตตาไว้บ่อยๆนะแต่บางครั้งหนูมีหนูมีความรู้สึกว่า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 แม้จิตเขาเป็นไปเองดูเขาทำงานของเขาไปแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆนะทำสมถะด้วยการเจริญเมตตาไปเพราะของคุณขี้โมโหคนที่ขี้โมโหเนี่ยอารมณ์ของสมถะที่เหมาะนะคือการเจริญเมตตานะดูสิน่าสงสารออกดูสิคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องไอ้นี่คนนี้ก็โลภมากคนนี้อย่างนี้นะดูไปแต่ไม่ใช่ดูไปด่าไปนะดูไปมันน่าสงสารดูอย่างนี้นะน่าเห็นใจดูสิพยายามเห็นใจบ่อยๆนะ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 ก็ตามรู้ไปเรื่อยใช่ค่ะแล้วหลังๆนี่จะเห็นอัตราตัวของตัวเองบ่อยๆขณะขับรถแซงเขาได้ก็แบบดีใจ อ, อัตราก็โผงมาดีที่เห็นใช่ค่ะทีนีอ้อยากจะกลาวเปียนฐานอาจารย์ชอบไปดูอัตราคนอื่นอืไม่ดีใช่ค่ะพยาามดูมดของตัวเองนะอย่างเช่นเราไปเห็นอัตราคนอื่นแล้วเราก็เือหน่ารังเกียจจริงเลยใช่ค่ะเรารู้ทันที่ใจเรานี้ใจเราไปดูถูกเขาละ เรารู้ทันที่ใจเราคือเราจะตั้งแต่แรกไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะเหมือนเมืที่มันไปรอดูอยู่อะไรอยให้รู้ทันว่าใจไปรอดูของคนอื่นก็แล้วของตัวเองก็ดูเหมือนกันด้วยคดูต้องตัวเองบ่อยๆมีคราวหนึ่งนะหลวงปู่ดูลนะท่านไปเยี่ยมหลวงพเทศที่หินหมักเป้งหลวงปู่ดูลอยู่สุรินหลวงพุทศอยู่หน้องคายแต่ท่านรู้จักกันท่านเคยอยู่อุบลด้วยกันหลวงปู่ดุลไปหาหลวงพุทศจะคุยธรรมะกันพอสมควรหลวงพุทศก็ขอโอกาส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 งั้นดูตัวเองบ่อยๆนะย่งใจมันไปดูถูกคนอื่นปุ๊บรู้ทันมันกลับเข้ามาที่ใจของเรานะต่อไปการขอบุญเจ้าค่ะารับอมน้นมน้อมน้อมน้อน้อมน้อมน้อมน้อมน้อมน่มน้อมนาอมน้อมน้อมน้อมน้ผมน้อมน้อมน้อมน้อมน้อมน้อมน้อมน้มน้กมน้อมน้อมนกน้อม่้อน้อนอน้อมน้อมน้อมน้อน้อมอมน้อมน้อมน้อมนอมน้อมน้อมน้อมน้อมน้อมนอนน้้ใจน้อมน้อมน้มน้อมน้อมน้อมน้มนม รู้สึกไปใช้ได้ขอวิหารธรรมนะครับทําได้อยู่แล้วนี่ดูไปได้ทั้งกายทั้งใจนะสมาสักครั้งครับหลวงพอ <c oughs> ่อเดี๋ยวเสื้อสีชมพูห ล, ล, ล, <c oughs> ลงไปแล้วตอนนี้เริ่มเพง่งนะ้รู้สึกไหมศัตรูมีสองอันนะหลงไปเผลอไปกับเพ่งเอาไว้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเผลอไปก็รู้ทันเพ่งอยู่ก็รู้ทันแล้วค่อยๆ ค, คลายออกอย่าเพ่งหลวงพ่อเสียเวลากการทําสมถะนะติดเพ่งอยู่ยี่บสองปีไะ ตั้งแต่เจ็ดขวบนะเพ่งมาจานอายุยนะี่สิบเก้าเเวลาเปล่าๆนะได้แต่ของเล่นนะของจริงไม่ได้งั้นเราไม่ไปเพ่งให้จิตนิ่งหรอกปล่อยให้มันทำงานแล้วตามดูมันนะคนคว้าพิจนาลงในกายในใจไม่ไม่หยุดเลยนะดูกายทำงานดูใจทำงานนะังเกิดปัญญาอ่ะต่อไปมาสักมาสกการคกับหลวงพ่อคือประจบาหนึ่นะครับ <c oughs> ต้องเล่นงานนี้อีกหนะ่อยลงอีกแล้ว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 รู้ทันกิเลสบ่อยๆกิเลสเกิดได้ทั้งวันกลับน้มำมัสังขารลงคุณได้หมดคนที่หนึ่งสองสามแถวที่สี่ของคุณที่ใส่แว้นี่คนที่แถวที่สามถัดไปข้างหลังอีกคนข้างหน้ามาอีกคน <laughs> นะรู้สึกตัวไปได้ๆนะดูกายดูใจมันทำงาน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 นะพอใจเราไหลไปเรารู้ใจไหลไปเรารู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะที่ฝึกอยู่ใช่ได้อยู่ขณะนี้จิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมจิตกระจายกระจายออกไปดีไปฝึกอีกเข้าใจครับคนเรือบินนี่เก่งหลายคนนะใช้ได้พวกที่ส่งกันบ้านแล้วดีกว่าเก่าเพราะหายเครียดแล้ว <laughs> ที่แรกตอนส่งกันบ้านที่แรกน่าเละเลยเละตุ้มเป๊ะเลยเครียดจัด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 เราไม่ได้คิดเรื่องที่เข้าป่าดหน้าแนละ้วโทสะหมดเหตุใช่ไโทสะดับปั๊บลงไปเลยนะค่อยฝึกนะเราจะเห็นเลยสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับตัวมันก็ดับไปไม่ใช่กูเก่งนะไม่ใช่กูเก่งนะดูไปดูไปไม่มีกูหรอกนะถ้าไม่มีกูแล้วใครจะทุกนะข์มาคันห้าเป็นทุกข์แต่ไม่มีคนที่เป็นเจ้าของนะความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของนะฝึกไปเรื่อยวันหนึ่งเราจะมีความสุขพวกเราทุกคนคือคนที่มีบุญเราได้เป็นมนุษย์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 ถ้าเราจเจริญสติจเจริญปัญญาไปเรื่อยนะศีล ส, สมาธิปัญญาแก่รอบนะีศีลก็ล้างกิเลสหยับหยับไปสมาธิก็ล้างกิเลสชั้นกลางปัญญาการตามรู้กายรู้ใจก็ล้างความหลงผิดความหลงผิดนี่คือกิเลสชั้นละเอียดที่สุดนะหัวจบของมันก็ชื่ออวิชานั่นเองความไม่รู้แจ้งอริยสัจนะแล้วเราคอยรู้ลงในกายในใจนะวันหนึ่งจะรู้แจ้งอริยสัจนะเราจะพ้นทุกมีความสุขที่สุดเลยไม่รู้จะบอกไงนะ ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกมาทุ่วงว่ามีความสุขจริงๆนะเอาเท่านี้พอตามเวลาเลยนะครับพ่มาตรฐานตรีนิดเลยมีของที่พวกเราพร้อมกันแก่นถวายนะครับผมขอเป็นโอกาสเป็นตัวแทนกล่าวถวายนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยทายธรรมและเครื่องอาัฐาบริขารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้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 รับอหน่อยนะคือเป็นพอนปีใหม่ไปเลยนะยะถาวารีวหาปูราปริภูเรนตีสาขรางเอวเมวายโตทินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเปเมวาสมิชชตุสัพเพปูเรนตูสังคปาจันโทปนาราโซยะถามณีโชติละโซยะถาสัพพิตโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินาสตู มาเตผวัตวันตรายโยสุขีตีคายโยโภภาวะอาภิวาธนาศิลิสนิจังอุทธาปัจายิโนจัตตาโรโอธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขขังพระลังสาธุพวกเรากราบพระอาจารย์พร้อมกันครับภาคเพียนนะภาคเพียนหลวงพ่อหวังดีหรอกนะภาคเพียนภาวนาครับ ่าได้พ้นทุกข์ไปจะได้ไม่ต้องเกิดมาเจอกันอีกเราจะรอส่งหลวงพ่ออยู่ในห้องนี้นะครับ